คำว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้วอธิบายว่าพรามนั้นได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าสองครั้งแล้วพระผู้มีพระภาคผู้อันพรามนั้นทูลถามปัญหาแล้วก็ไม่ได้ทรงพยากรณด้วยพระดำริว่าความแก่รอบแ่งอินทรีย์ของพรามนี้จกมีในลำดับแ่งจักษุคำว่าผู้สักกะอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคผู้สักกะเสด็จออกผนวจากสักรยะตรกูลจึงชื่อว่าผู้สักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์จึงชื่อว่าผู้สักกะพระองค์ทรงมีทรัพย์เหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตะปทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญา ซับคสติประธานซับคือสมประธานซับคือิทธิบาทซักคืออินทรีย์ซับคือภละซับคโภพ่อชงซับคือมักซักคือผลซับคือนิพพานพระผู้มีพระภาคทรงมั่งคั่งทรงมีทรัพย์มากทรงมีทรัพย์ด้วยทรัพย์ที่เป็นรัตนะหลายอย่างเหล่านี้จึงชื่อว่าผู้สักกะอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสามารถ คือทรงองค์อาจอาถานมีความสามารถแกล้วกล้ากล้าหารกล้าหน้าไม่ขาดไม่หวาเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีทรงละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวแล้วจึงชื่อว่าผู้สักกะคำว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้วอธิบายว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักกะ ข้าพระองค์ได้ทูลถามคือได้ทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศสองครั้งแล้วรวมความว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้ศักริ์สิองครั้งแล้วคําว่าดังนี้ในคําว่าท่านโมคราชทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรักคําว่าโมคราชเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่า ท่านโมคขราชทูลถามดังนี้คำว่ามิได้ทรงพยากรแก่ข้าพระองค์ในคําว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุมิได้ทรงพยากรแก่ข้าพระองค์อธิบายว่ามิได้ทรงพยากรคือมิได้บอกมิได้แสดงมิได้บัญญัติมิได้กําหนดมิได้เปิดเผยมิได้จําแนกมิได้ทําให้ง่ายมิได้ทรงประกาศแก่ข้าพระองค์ ว่าด้วยพ ร, พระจักสุห้าชนิดคำว่าผู้มีพระจักสุอธิบายว่าพระผู้มีประภาคมีพระจักสุด้วยพระจักสุห้าชนิดคือหนึ่งมีพระจักสุด้วยมังสะจักขู่บ้างสองมีพระจักสุด้วยทิปจักขูบ้างสมีพระจักสุด้วยปัญญาจักขูบ้างสมีพระจักสุด้วยพุทธจักขูบ้าง ห้ามีพระจักสุด้วยสมันตะจักขูบ้างพระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยมังสะจักขู่เป็นอย่างไรคือในพระมังสะจักขูของพระผู้มีพระภาคมีสีอยู่ห้าสีคือหนึ่งสีเขียวสองสีเหลืองสามสีแดงสี่สีดำห้าสีขาวหน้าที่ที่มีขนพระเนศขึ้นมีสีเขียวเขียวสนิทน่าชมน่าดู ดุจ ด, ดอกผักตบต่อจากนั้นก็เป็นสีเหลืองเหลืองสนิทสีเหมือนทองคำน่าชมน่าดูดุจ ด, ดอกกลันิกาเบาพระเนรทั้งสองข้างของพระผู้มีพระภาคมีสีแดงแดงสนิทน่าชมน่าดูดุจสีปีกแมลงทับกลางดวงพระเนรมีสีดำดำเข้มไม่เศร้ามองสนิทน่าชมน่าดูดุจสีสม่ดำ ต่อจากนั้นเป็นสีขาวขาวสนิทเปล่งปลั่งขาวนวล น, น่าชมน่าดูดวดสีแดวประกายพรึกพระผู้มีพระภาคมีพระมังสะาจาักขุนั้นอยู่โดยปกติเนื่องในพระอัตภาพเกิดด้วยสุจริตกรรมที่ทรงสั่งสมมาในพบก่อนทรงมองเห็นตลอดหนึ่งโยน์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในเวลาที่มีความมืดประกอบด้วยองค์สี คือหนึ่งดวงอาทิตย์ตกไปแล้วสองเป็นวันอุโบสถข้า่งแรมสามป่าชัดรกทึบสี่มีแม่ก้อนใหญ่ผุดขึ้นมาในความเมื่อที่ประกอบด้วยองค์สี่อย่างนี้พระองค์ก็ทรงมองเห็นได้ตลอดหนึ่งโยธโดยรอบไม่มีหลุมบานประตูกำแพงภูเขากอไม้หรือเถาวันมาปิดกั้นการเห็นรูปทั้งหลายได้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 ซึ่งกำลังจุติกำลังอุบัติเลวพระณีดผิวพันธ์ดีผิวพันธ์นสามไปดีตกยากด้วยทิปจักผ่อันหมดจดล่วงจากสุมนุษย์ทรงซากหมูสัตว์ผู้เป็นเลตามกรรมและพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงประสงค์พึงทรงเห็นได้แม้หนึ่งโลกธาตุแม้สองโลกธาตุแม้สามโลกธาตุแม้สี่โลกธาตุแม้ห้าโลกธาตุแม้สิบโลกธาตุ แม้ยี่สิบโลกทธาตุแม้ส0สิบโลกทธาตุ แ, แม้สี่สิบโลกทธาตุแม้ห้าสิบโลกทธาตุแม้ร้อยโลกทธาตุแม้โลกทธาตุขนาดเล็กประกอบด้วยพันจักรวาลแม้โลกทธาตุขนาดกลางประกอบด้วยสองพันจักรวาลแม้โลกทธาตุขนาดใหญ่ประกอบด้วยสามพันจักรวาลแม้โลกทธาตุที่ประกอบด้วยหลายพันจักรวาล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 มีพระปัญญาอาถานมีพระปัญญาเฉียบคมมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสได้ทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมพิทาทรงบรรลุเวสารัชยานสีทรงเป็นผู้ทรงทศพลยานทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีทรงเป็นบุรุษดุจหน้าทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้เอาลทุระ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 ทรงทำมักที่ยังไม่เปิดพร้อมให้เปิดพร้อมตรัสบอกมักที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จักมักทรงรู้แจ้งมักทรงฉลาดในมักและสาวกของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้ดำเนินไปตามมักอยู่ในบัดนี้จะเพียรพร้อมด้วยศีลาที่คุณในภายหลังพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นมีพระจักสุมีพระญาณ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 ย่อมมาสู่คลองเฉพาะพระยานของพระผู้มีพระภาค พ, พ да ุทธเจ้าด้วยอาการทั fishes. ้งปวงธรรมดาประโยชน์ท <certificates with sea |notimestamps|> ี <RE> ่ควรแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นธรรมที่ควรรู้มีอยู่คือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ในภพปัจจุบันหรือประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ตื่นหรือประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนาหรือประโยชน์ที่แนะนาแล้ว ประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ้วหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณกายกรรมวจชีกรรมมนโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่ติผัดในอดีตอนาคตปัจจุบันบทธรรมที่ควรแนะนามีอยู่เพียงใด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 เหมือนชั้นแห่งพ อ, อบสองชั้นทับ ก, กันสนิทพอดีชั้นะ อ, อบด้านล่างก็ไม่เกินด้านบนชั้นะ อ, อบด้านบนก็ไม่เกินด้านล่างชั้นะ อ, อบทั้งสองย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันฉันใดบทธรรมที่ควรแนะนำและพระยางของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันฉันนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนามีอยู่เพียงใด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 ทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุทุรีน้อยในปัญญาจักขุมีกิเลสดุทุรีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการตามผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ง่ายผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยากเป็นพระว์ผู้สมควรบรรลุธรรมและอาภัตว์ผู้ไม่สมควรบรรลุธรรมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัต พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นใบพายในพระพุทธญาณปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละและปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นใบพายในมหาสมุทรฉันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตรพร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ย่อมเป็นไปภายในพระยานของพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันนกชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งครุดนามว่าเวนไต ย, ย่อมบินไปในห่วงแห่งอากาศชั้นใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุตรด้วยปัญญาย่อมเป็นไปในส่วนแห่งพระพุทธยานชั้นนั้นเหมือนกันพระพุทธยานย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์อยู่เหล่าบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์ เป็นพรามเป็นข้าพดีเป็นสมณะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาฏทะของผู้อื่นเหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อสายได้ดุจจะเที่ยวทำลายทิฐิผู้อื่นด้วยปัญญาตนบัณฑิตเหล่านั้นพากันปรุงแต่งปัญหาย่อมเข้าไปเฝ้าพระตถาคตทูลถามปัญหาที่ลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซ์และตรัสแก้แล้ว เป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงบัณฑิตเหล่านั้นถูกดึงดูดด้วยการวิสัชนาปัญหาจึงเลื่อมสายพระผู้มีพระภาคโดยที่แท้พระผู้มีพระภาคย่อมทรงรุ่งเรืองด้วยพระปัญญาในหมู่คนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยปัญญาจักขุ่เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยพจจักขุเป็นอย่างไร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 เหมือนในกอคอบวเขียวในกอบัวแดงหรือในกอบัวขาวดอกบัวเขียวดอกโบวแดงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ําเจริญในน้ําขึ้นตามน้ําจมอยู่ในน้ําและน้ําหล่อเลี้ยงไว้ดอกโบว์เขียวดอกโบวแดงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าเกิดในน้ําเจริญในน้ําตั้งอยู่เสมอผิวน้ําดอกบัวเขียวดอกโบวแดงหรือดอกโบว์ขาวบางเหล่า เปิดในน้ำเจริญในน้ําโผล่ขึ้นพ้นระดับน้ําน้ําไม่ติดเปื้อนอยู่เลยชั้นใดพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงตรวจ ด, ดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลส ด, ดุจธุรีน้อยในปัญญาจักขุผู้มีกิเลส ด, ดุจธุรีมากในปัญญาจักขุมีอินทรีย์แข่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทามผู้ที่แนะนําให้รู้ได้ง่าย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 การเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสัจริตย่อมทรงแนะนําบุคคลโมหจริตให้ดํารงอยู่ในการเล่าเรียนการไตาถามการฟังธทำตามการการสนทนาธรรมตามการการอยู่ร่วมกับครูย่อมตรัสอาณาปานสติแก่บุคคลวิตกจริตตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใสความตรัสรู้ชอบของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรม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 เพงเห็นหมู่ชนโดยรอบแม้ชันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ประสาทคือธรรมจะได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยพุทธจักขุเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคมีพระจักสุด้วยสมันตจักขุเป็นอย่างไร คือพระสัพพัญยุตยานตรัสเรียกว่าสมันตะจักขุพระผู้มีประภาคทรงประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพีย่พร้อมแล้วด้วยพระสัพพัญยุตยานสมจริงดังคถาประพันธ์ว่าสิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้พระปัญญาจักขุ ข, ของพระตถาคตนั้นไม่เห็นไม่มีเลยอันหนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้ พระพุทธญาณไม่รู้แจ้งเพราะไม่มีธรรมชาติที่ควรแนะนําใดมีอยู่พระตถาคตด้วยทรงทราบธรรมชาติที่ควรแนะนํานั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพระตถาคตจึงชื่อว่าผู้มีสมัญตจักขุพระผู้มีพระภาคชื่อว่ามีพระจักสุด้วยสมัญตจักขุเป็นอย่างนี้รวมความว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุไมิได้ทรงพยากรแก่ข้าพระองค์ คำว่าข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพฤาษีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งจะทรงพยากรณอธิบายว่าข้าพระองค์เรียนรู้มาคือทรงจำมากำหนดมาอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดทูล ถ, ถามปัญหาควรแก่เหตุถึงสามครั้งจะทรงพยากรณจะไม่ทรงปฏิเสธ ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าเทพรูศีคําว่าผู้ทรงเป็นเทพรูษีอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นทั้งเทพเป็นทั้งเรือศีจึงชื่อว่าทรงเป็นเทพรูศีพระราชาผนวกก็เรียกกันว่าราชเรือีพราหมณ์บวชก็เรียกกันว่าพราหมเรือศีฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นทรงเป็นทั้งเทพ เป็นทั้งเรษีอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคผนวดแล้วจึงชื่อว่าพระเรศีสงแสแวงหาคือค้นหาเสาะหาศีลขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าพระเรศีสงแสแวงหาคือค้นหาเสาะหาสมาธิขันธ์ใหญ่ปัญญาขันธ์ใหญ่วิมุตติขันธ์ใหญ่วิมุตติญาทณทัศน์ขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าพระเรษี พระผู้ม <convert to Christians> ีพระภาคทรงแสวงหาเคยค้นหาเจาะหาเครื่องทำลายกองความมืดใหญ่จึงชื่อว่าพระเรษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเจาะหาเครื่องทำลายความวิปลาสใหญ่จึงชื่อว่าพระเรษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเจาะหาเครื่องถอนลูกศรคือตันหาใหญ่จึงชื่อว่าพระเรือศี พระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องปลดเลื่องโครงทิฐิใหญ่จึงชื่อว่าพระฤรือศีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องกำจัดธงคือมานะใหญ่จึงชื่อว่าพระฤรือศีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องเข้าไปสงบอภิสังขารใหญ่จึงชื่อว่าพระฤรือศี พระผู้ม hmm. ีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องปิดก e ั้นโอเคะใหญ่จ да ึงชื okay ่อว่าพระฤรืีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาพ้นหาเสาะหาเครื่องวางภาระใหญ่จึงชื่อว่าพระฤรืีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องตัดสังสารวัตใหญ่จึงชื่อว่าพระฤรืีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหา เสาะหาเครื pues ่ cool องดับความเดือดร้อนใหญ่จึงชื่อว่าพระเรษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องระงับความเร่าร้อนใหญ่จึงชื่อว่าพระเรษีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาเครื่องยกธงคือธรรมใหญ่จึงชื่อว่าพระฤรือศีพระผู้มีพระภาคทรงแสวงหาค้นหาเสาะหาสติปัฏฐานใหญ่ สัมมาประธานใหญ่อิทิบาทใหญ่อินทรีย์ใหญ่ภะระใหญ่พ่อชงใหญ่อริยมรรคมีองค์แปดใหญ่ปรมัตถะอมตะนิพพานใหญ่จึงชื่อว่าพระเรสีอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ที่เหล่าสัตว์ผู้มเหศักแสวงหาค้นหาเสาะหาว่าพระพทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระผู้ทรงเป็นเทสยิ่งกว่าเทประทับอยู่ที่ไหน พระผู้ทรงองค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าพระเรือีรวมความว่าข้าพระองค์รับทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นเทพเรือีถ้าผู้ใดถามปัญหาถึงสามครั้งก็จะทรงพยากรณด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านโมคราชทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ได้ทูลถามพระองค์ผู้สักกะสองครั้งแล้ว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 คำว่าพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้แก่พรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์รวมความว่าพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกคำว่าย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์อธิบายว่าชาวโลกไม่ทราบไม่รู้คือไม่เห็นไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะความเห็น คือความถูกใจความพอใจลัทธิอัธยาศัยความประสงค์ของพระองค์ว่าพระผู้มีประภาคนี้ทรงมีความเห็นอย่างนี้มีความถูกใจอย่างนี้มีความพอใจอย่ s <S างนี้มีลัทธิอย่างนี้มีอัธยาศัยอย่างนี้มีความประสงค์อย่างนี้รวมความว่าย่อมไม่ทราบชัดความเห็นของพระองค์คำว่าผู้โคตมะโคดผู้มีพระยศ อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคทรงเพียบพร้อมด้วยประยชน์จึงชื่อว่าผู้มีประยชศอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ชาวโลกสักกะระเคารพนับถือบูชานอบน้อมทรงได้จีวรเบณฑบาทเสนาสนะและกิลานปัจจัยเพศปรุขารจึงชื่อว่าผู้มีประยชน์รวมความว่าผู้โคตมะโคตผู้มีประยชศ ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์จึงกรบทูนว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมมีทราบชัดความเห็นของพระองค์ผู้โคตมะโคดผู้มีพระยศท่านโมคราชุนถามว่า ข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมจุราชจึงไม่เห็นคําว่าผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้อธิบายว่าผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามคือเห็นธรรมอันเลิศเห็นธรรมอันประเสริฐธรรมอันวิเศษสุดเห็นธรรมชั้นแนวหน้าเห็นธรรมสูงสุด เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมอย่างนี้รวมความว่าผู้ทรงมีปกติเห็นธรรมอันงามอย่างนี้คำว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอธิบายว่าข้าพระองค์มีความต้องการปัญหาจึงมาเฝ้าข้อนี้จึงเป็นภาระของพระองค์รวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้าง คำว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรอธิบายว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นคือประจักษ์แจ้งเทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจางทําให้แจ่มแจ้งอย่างไรรวมความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรคําว่ามัจจุราชจึงไม่เห็นอธิบายว่ามัจจุราชจึงไม่เห็นคือไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะ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 ผู้มีประภาคตรัสตอบว่าโมคราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ข้ามมัจจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็นว่าด้วยโลกคำว่าโลกในคำว่าเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่า ได้แก่โลกนรกโลกในกำเนิดเดรฉานโลกในเปตะวิสัยมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกทาตุโลกอายตนะโลกโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกพร้อมทั้งเทวโลกพิสุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไรเนาะ จึงตรัสว่าโลกพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุที่เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลายคือจักสุแลต้องแตกสลายรูปต้องแตกสลายจากักรวิ ญ, ญญาณต้องแตกสลายจากักรสัมผัสต้องแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเป็นทุกข์ก็มิใช่ เป็นสุขก็ไมิใช่ที่เกิดขึ้นเพราะมีจักผูกสัมผัสเป็นปัจจัยต้องแตกสลายโตส ต, ตสะต้องแตกสลายเสียงต้องแตกสลายคานะต้องแตกสลายกลิ่นต้องแตกสลายชิวหาต้องแตกสลายรสต้องแตกสลายกายต้องแตกสลายโพธพะต้องแตกสลายมโนต้องแตกสลายธรรมารมต้องแตกสลาย มโนวิญญาณต้องแตกสลายมโนสัมผัสต้องแตกสลายแม้สุขเวทนาทุกเวทนาอทุกกมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ต้องแตกสลายภิกษุที่เราเรียกว่าโลกเพราะจะต้องแตกสลายเป็นอย่างนี้คำว่าเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าอธิบายว่า บุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยการกำหนดเห็นสังขารไม่เป็นไปตามอำนาจ 2. ด้วยการพิจารณาเห็นสังขารเป็นของว่างเปล่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยการกำหนดเห็นสังขารไม่เป็นไปตามอำนาจเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมไม่ได้อานาจในรูปอานาจในเวทนาอำนาจในสัญญา อำนาจในสังขารอำนาจในวิญญาณสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิสุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จกเป็นอัตตาแล้วไซรรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและผู้คลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยพิษุทังหลายก็เพราะรูปเป็นอนัตตา ฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาถ้าเวทนานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสัญญาเป็นอนัตตาถ้าสัญญานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในสัญญาว่า สัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้ ส, สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป ah. ah. ็นอนัตตาฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้สัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าสังขานี้จะเป็นอัตตาแล้วใช้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 วิญญาณเป็นอนัตตาถ้าวิญญาณนี้จากเป็นอ you ัตาแล้วใช้วิญญาณนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้ วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งไม่ใช่ของคนอื่นกายนี้กรําเก่าควบคุมไว้จิตประมวลไว้พึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว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 ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยการกำหนดเห็นสังขารไม่เป็นไปตามอำนาจเป็นอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยการพิจารณาเห็นสังขารเป็นของว่างเปล่าเป็นอย่างไรคือบุคคลย่อมไม่ได้แก่นสารในรูปแก่นสารในเวทนาแกนสารในสัญญาแกนสารในสังขาร แก่นสารในวิญญาณรูปไม่มีแกนน่นสารไร้แกนน่นสารปราศจากแก่นสารโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นของเที่ยงโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุขโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นโตตนโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของยย่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงหรือโดยความเป็นของไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาเวทนาไม่มีแก่นสารไร้แกนน่นสาร ปราศจากแก่นสารสัญญาไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารสังขารไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารวิญญาณไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารโดยสาระแห่งแก SI. ่นสารที่เป็นของเที่ยงโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุขโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นตัวตนโดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นของยั่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงหรือโดยความเป็นของไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาไม้อ้อไม่มีแก่นไรแก่นปราศจากแก่นไม้ละหุ่งไม่มีแก่นไรแก่นปราศจากแก่นไม้มดเดอไม่มีแก่นไรแก่นปราศจากแก่นไม้ทองล้างไม่มีแก่นไรแก่นปราศจากแก่นต้นงอนไก่ปาริพัตโก ไม่มีแก่นไร้แก่นปราศจากแก่นฟองน้ำไ ม, มไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารตอมน้ำไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารพยับแดดไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารต้นกล้วยไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารเงาไม่มีแก่นสารไร้แก่นสาร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 เวทนาไม่มีแก่นสารร้อยแก่นสารปราศจากแก่นสารสัญญาไม่มีแก่นสารร้อยแก่นสารปราศจากแก่นสารสังขารไม่มีแก่นสารร้อยแก่นสารปราศจากแก่นสารวิญญาณไม่มีแก่นสารร้อยแก่นสารโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นของเที่ยงโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นสุขโดยสาระแห่งแก่นสารที่เป็นตัวตนโดยความเป็นของเที่ยง โดยความเป็นของยั dude, Hoy, oh ่งยืนโดยความเป็นของมั่นคงโดยความเป็นของไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาฉันนั yeah, ้นบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยการพิจารณาเห็นสังขารเป็นของว่างเปล่าอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยเหตุสองอย่างเหล่านี้อีกในหนึ่งบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยอาการหกอย่าง คือพิจารณาเห็นรูป 1. โดยความที่ตนไม่ได้เป็นใหญ่ 2. โดยความที่ตนจัดการตามชอบใจไม่ได้ 3. โดยที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสบาย 4. โดยไม่เป็นไปในอำนาจ 5. โดยเป็นไปตามเหตุ 6. โดยความว่างเปล่าพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารพิจารณาเห็นวิญ ญ, ญาณ 1. โดยความที่ตนไม่ได้เป็นใหญ่สองโดยความที่ตนจัดการตามชอบใจไม่ได้สโดยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสบายสโดยไม่เป็นไปในอำนาจหโดยความเป็นไปตามเหตุ 6. โดยความว่างเปล่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยอาการหกอย่างเป็นอย่างนี้อีกในหนึ่งบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่า ด้วยอาการสิบอย่างเคยพิจารณาเห็นรูปหนึ่งโดยความเป็นของว่างสองโดยความเป็นของเปล่าสด้โดยความเป็นของศูนย์สด้โดยความเป็นอนัตตาห้วโดยความไม่มีแก่นสาร 6. ดโดยความเป็นดุดเพจฆาต7ดโดยความเป็นของปราศจากความเจริญ 8. ดโดยความเป็นเหตุแห่งความลำบาก เ้าโดยความเป็นของมีอาสวะสิโดยความเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจุติความเคลื่อนจากพบอุบัติการเถรกาเนิดปฏิสนธิพบสังสารวัฏหนึ่งโดยความเป็นของว่างสองโดยความเป็นของเปล่าสโดยความเป็นของศูนย์ สโดยความเป็นอนัตตาหโดยความไม่มีแขีนสารหโดยความเป็นดุดเพชชคธาติเจโดยความเป็นของปราศจากความเจริญ 8. โดยความเป็นเหตุแห่งความลำบาก9โดยความเป็นของมีอาสวะสิโดยความเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยอาการสิบอย่างเป็นอย่างนี้ อีกในหนึ่งบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าด้วยอาการสิบสองอย่างคือพิจารณาเห็นรูปหนึ่งมิใช่สัตว์สองมิใช่ชีวะสามิใช่นระสี่มิใช่มนุษย์ห้ามิใช่หญิงหมิใช่ชายเจ็ดมิใช่อัตตาแปดมิใช่ของเนื่องด้วยอัตตาเก้ามิใช่เรา มิใช่ของเราสิบเอ็ดมิใช่ใครใคสิบสองมิใช่ของใครใครพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหนึ่งมิใช่สัตว์สองมิใช่ชีวะสามมิใช่นระสี่มิใช่มนุษย์ห้ามิใช่หญิงหกมิใช่ชายเจ็ดมิใช่อัตตา แปดไม่ใช่ของเนื่องด้วยอัตตาเก้าม่ใช่เราสิบม่ใช่ของเราสิบเอ็ดไม่ใช่ใครๆสิบสองไม่ใช่ของใครๆบุคคลพิจารณาเห็นโลกหรืยความว่างเปล่าด้วยอาการสิบสองอย่างเป็นอย่างนี้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้น สิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นแหลจจกมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานพิสุทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นแหลจจกมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อ <deserves> ความสุขตลอดกาลนานเวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทานานั้น เวทนาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสัญญานั้นสัญญาที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานสังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสังขารเหล่านั้นสังขารที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้น จกมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลานานวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณ น, นั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายคนพึงเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันวิหารนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามรูปเรื่อง เธอทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าคนย่อมเอาพวกเราไปเผาหรือจัดการไปตามรูปเรื่องความดำ m ฤิเช่นนั้นไม่มีเลยพระเจ้าค่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะนั่นไม่ใช่อัตตาหรือของเนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าค่าอย่างเดียวกันนั่นแลภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้น สิ่งที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลายรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นรูปที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณ น, นั้นวิญญาณที่เธอทั้งหลายละได้แล้วนั้นจกมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานรวมความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเป็นอย่างนี้บ้างว่าด้วยโลกว่างท่านพระอา น, นุนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาะจึงตรัสว่าโลกว่างอานน์เพราะโลกว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่างอานน์อะไรเล่าที่ว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอานน์จากขุแลวว่างจากอัตตาหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา รูปว่างจะผูุวิญญาณว่างจะผูุสัมผัสว่างแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาเป็นทุกขก็มิใช่เป็นสุขก็มิใช่ที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโซตะว่างเสียงว่างคานะว่างกลิ่นว่างชีหาว่างรสว่าง กายว่างโพ ธ, ธัพพะว่างใจว่างธรรมารมว่างมโนวิญญาณว่างมโนสัมผัสก็ว่างแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอานนท์เพราะโลกว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่างบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเป็นอย่างนี้บ้างภามณีภัยย่อมไม่นียแก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมล้วนๆและความสืบเนื่องแห่งสังขารล้วนๆตามที่เป็นจริงเมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกว่าเสมอด้วยหญ้าและท่อนไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ปรารถนาอะไรอื่น นอกจากความไม่ปฏิสนธิบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเป็นอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นแหลภิกษุค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ค้นหาเวทนาตลอดคติแห่งเวทนาที่มีอยู่ค้นหาสัญญาตลอดคติแห่งสัญญาที่มีอยู่ค้นหาสังขาร ตลอดคติแห่งสังขารที่มีอยู่ค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่เมื่อภิกษุนั้นค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ค้นหาเวทนาตลอดคติแห่งเวทนาที่มีอยู่ค้นหาสัญญาตลอดคติแห่งสัญญาที่มีอยู่ค้นหาสังขารตลอดคติแห่งสังขารที่มีอยู่ค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่ ความถือว่าเราของเราหรือมีเราของพิสูจนนั้นไม่มีบุคคลพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าอธิบายว่าเธอจงพิจารณาเห็นเธอประจักษ์แจ้งแลเห็นเทียบเคียงพิจารณาทำให้ประจางทำให้แจ่มแจ้งโลกโดยความว่างรวมความว่า เธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าคําว่าโมคะราชในคําว่าโมคะราชมีสติทุกเมื่อเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรรามนั้นโดยชื่อคําว่าทุกเมื่ออธิบายว่าตลอดการทั้งปวงปัจฉิมวัยคําว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสีอย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติ เมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายผู้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติรวมความว่าโมคราชมีสติทุกเมื่อคาว่าพึงถอนอัตตานุทิฏฐเสียอธิบายว่าสักกายทิฏฐิยี่สิบตรัสเรียกว่าอัตตานุทิฏฐปุถุชนผู้ไม่ได้สะดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตว์บุรุษย่อมมองเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตาว่ามีรูปเห็นรูปในอัตตาหรือเห็นอัตตาในรูปย่อมมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ เห็นวิญญาณในอตาหรือเห็นอตาในวิญญาณทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชาติเพอทิฏฐิความกันดานเพอทิฏฐิเสี่ยนน้ำเพอทิฏฐิความดิ้นรนเพอทิฏฐิเครคื่องผูกพันเพอทิฏฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิดีรถีความถือขัดแยง้ง ความถือวิปริตความถือวิปลาสความถือผิดความถือในสิ่งไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นป่า น, นี้จนถึงทิฏฐิหกิสองนี้ชื่อว่าอัตานุทิฏฐิคําว่าพึงถอนอัตานุทิฏฐิเสียอธิบายว่าพึงถอนเพือพึงถอนขึ้นฉุดขึ้นชักขึ้นลากขึ้นเพิ่ขึ้นได้แก่และ บรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกรวมความว่าพึงถอนอัตตนุทิฏฐิเสียคําว่าเป็นผู้ข้ามมะจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้อธิบายว่าพึงข้ามมะจุราชคือพึงข้ามพึงข้ามไปข้ามพ้นกล่าวล่วงล่วงเลยซึ่งชราบ้างมรณะบ้างด้วยอาการอย่างนี้รวมความว่า เป็นผู้ฆ่ามัจจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้คําว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้อธิบายว่าพิจารณาเห็นเคยประจักแจ้งเชี่ยบเพียงพิจารณาทําให้กระจ่างทําให้แกมแจ้งโลกอย่างนี้รวมความว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้คําว่ามัจจุราชจึงไม่เห็นอธิบายว่า มัจจุชื่อว่าพยามัจจุราชมานชื่อว่าพยามัจจุราชความตายชื่อว่าพยามัจจุราชคำว่าจึงไม่เห็นได้แก่ไม่เห็นไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปตามป่าน้อยป่าใหญ่ ย่อมวางใจเดินยืนหมอบนอนข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้พบกับนายพรานเนื้อฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นสังััจจากกรมและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอดคือเป็นผู้ที่มานใจบากมองไม่เห็น เพราะทำลายจากสุ ข, ของมันอย่างไม่มีร่องรอยอีกนายหนึ่งเพราะวิตกและวิจารณ์สงบไปพิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผลขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุเรื่เกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานภิกษุทั้งหลายเราเรียกพิสุนี้ว่า ผู้ทำให้มานตาบอดเพอเป็นผู้ที่มานใจบาปมองไม่เห็นเพราะทําลายจักรสุ ข, ของมานอย่างไม่มีร่องรอยภิกษุทั้งหลายเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่มนัสิกานานาตัสสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสารนัญจายตนะฌานอยู่ด้วยมนัสิการว่าอาการไม่มีที่สุดเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทาให้มานตาบอด เธอเป็นผู้ที่มานใจบาปมองไม่เห็นเพราะทำลายจักรสุ ข, ของมารยังไม่มีร่องรอยอีกนายหนึ่งเพราะล่วงอากาสารนันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณันจายตนะฌานอยู่โดยมนานสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอีกนายหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณันจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่ ด้วยมนัสิการว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีอีกในหนึ่งเพราะล่วงอาคินจัญญายาตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะาฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยียดีนิโรธอยู่เพราะเห็นด้วยปัญญาอาสะวะทั้งหลายของเธอย่อมสิ้นไป ภิสุทั้งหลายเราเรียกภิสุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอดเคอเป็นผู้ที่มานใจบาปมองไม่เห็นเพราะทำลายจักสุของมานอย่างไม่มีร่องรอยเป็นผู้ข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัทธิการในโลกได้แล้วย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ได้พบมานใจบาปรวมความว่ามจุราจึงไม่เห็น ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าโมคราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อพึงถอนอาตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ข้ามมจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มจุราชจึงไม่เห็นพร้อมกับการจบคาถาโมคราชมานพโดยประกาศว่า